s a r a n a a c h a m i t h a m a s a r a n a n a c h a m i sangham s a r a n a a c h a m i Namota sa a a a t o araho sam. s a m b u t a s a n a m u t a s a n akawato araho s a m p a s a m b u t a s a n a m u t a s a n akawato araho s a m p a Samputa sa. พาหุงสหัดสมะพินิมิตะสาวทันตังคลีมเมฆขลังอุทิตะโครสะเซนมารังทานาทิธรรมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะ ตุเตชัยอวังคลานีมาราติเรกมาพิยุทธิตะสัพพารติงโครัปนาระวะกมักขมะทัดทยขังขันติสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเต ชสาภาวะตุเตชยมังคลานินาราคิริงคชะวรังอติมาตภูตังทาวักขิจักกามะสนีวะสุทารุนันตัง เมตตามพุเสกะวิินาชิตวามูลินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิอุขิตตะคักขมะติหัตถะสสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถกุลิ มาละวันตังอินทีพิสังขะตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเทชัยมังคลานิกัดตะวานกัดทะมุ พระรังกีวะครับพินียาจินจายทุทวะจจนันชนะกายมะเชสันเตนโซมาวิทนาจิตวามุนินโทตันเตชะสาโพ มดิสจะกรวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตะมนังตททิอันทะบูตังปัญญาปฏิปะชะลิตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเต ขางวิภูทางมหิดทิมปุนเตนะเทราผู้ชาเคนะเข้ามาไปยันโตอินทุประเทศวิธินาชิตะวามุลิน สุทัศน์ทหารธรรมวิสุธท ธ, ทธิชุติมิตรภากาพิธานังพยานาคเทนะวิทนาชิตตวามุนินโตตั้งเตชะสั คาคาธาโยวาจโนีินะทิเนสะรเเตมาตันทีคิดตวานาเนกววิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอทิกมายนโร บัน ตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภเวนะสัสพี Sapta samma nu paena satasoti a wanti. สักพักสังขารนุพาเวนาสศรัทธาสดีฮาวันตุเต